บางองค์แนละ้วจวกเลยนะเราาวนาไปผิดๆนะนี่พอมาวันนี้ญาติโยมเยอะขึ้นนะหลว ง, งพ่อสอนเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาเลยดูปเป็นเรื่องประหลาดไปแล้วทำไมเราไม่ขึ้นธรรมะเทศเทศไปเอวังก็มีด้วยประกาศราชดีเรีจบครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนกรรมาฐานจริงๆท่านก็สอนด้วยใจมุ่งประโยชน์ของเราโดยตรงเลย ไม่มีอ้อมค้อมนันที่หลวงพ่อสอนทุกวันนี้วิธีที่ใช้เป็นวิธีธรรมดามากเลยที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้มา ก, ก่อนแต่ก่อนเนี่ยหลวงพ่อก็วิ่งเข้าหาครูบาอาจารย์เหมือนกันทุกๆเดือนเนี่ยต้องไปกราบหลวงพ่อพุทธครั้งหนึ่งท่านใกล้ท่านอยู่โคราชไปกราบหลวงพ่อพุทธแต่ละเดือนต้องไปครั้งหนึ่งเป็นข้าราชการนะวันลาไม่ค่อยมี หล พ, พ่อพุดเนี่ยไปวันเสาร์วันอาทิตย์ได้แล้วไปวันเดียวกลับได้แล้วก็เก็บบันลาไว้สามเดือน4ี่เดือนเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลๆหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอาจารย์มาหาบัวอะไร น, นี่อยู่ไกลสมัยก่อนไปก็ไปก็เจอส่วนมากนะตอนหลังๆคนสนใจมากขึ้นมากขึ้นอนินนมต์ท่านไปโน่นไปนี่บางทีไปก็ไม่เจอเหมือนกัน ได้เนาเฉาไปเลย <S <s เคยนะไปหาหลวงปู่สิมทิงนั่งรถไปทั้งคืนเลยต่อรถสองแถวไปอีกเดินเข้าไปอีกนะกว่าจะถึงวดนะัดเนี่ยบ่ายๆแล้วมาถึงขึ้นไปถึงภูเขายอดเขาส้ำผาปล้องพระบอกหลวงปู่ไปกรุงเทพโถเรามาจากกรุงเทพ territory. มาหาหลวงปู่นะเดี๋ยวพระก็ให้กำลังใจนะเดี๋ยวนึงมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มา ก็วิ่งขึ้นเขามาบอกหลวงปู่จะกลับแล้วหลวงปู่แกลับมานะพระก็ตื่นเต้นนะคว้าแคล่สมัยแรกๆแคล่ท่านทำด้วยไม้หน้าสามนะทำคล้ายๆคันหามเสลียงนะอ่ะโอ้พระแปดองค์นะข้างละสองสองนะสี่สี่มีไม้สี่อันวิ่งลงจากเขานะพระไม่เดินเลยพระวิ่ง กลัวหลวงปูย่ยะมาเร็วเราก็วิ่งตามพระลงมาพอลงมาถึงข้างล่างนะเดี๋ยวว่ามีคนขีม่มอเตอร์ไซค์มาอีกตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์เนาะต้องมีโทรศัพท์เฉพาะฟิกไลน์เข้าตําบ้านคนก็โทรมาอีกบอกหลวงปู่รับนิมนต์ต่อไปที่อื่นแล้วลงมาถึงข้างล่างนะวิ่งลงมาข้างล่างพระก็หันมามองหน้าเรา โยมช่วยหามแคล่ขึ้นไปด้วยเราสองคนนะหามแคล่โอ้โหทนะุลักทุเลแนละ้วกว่าจะขึ้นไปถึงนะี่สองสก้าวางทีสองสก้าวางทีเดินขึ้นไปตัวเปล่าๆยังขึ้นยังไม่ไหวเลยนะท่านหามกันทีทั้งหลายองค์เสร็จแล้วท่านทุบก็หายไปเลยโหลลำบากนะสมัยก่อนจะไปหาครูบาอาจารย์ยังดีว่าช่วงแรกๆที่เที่ยวศึกษาธรร ม, มะเนี่ยไปก็เจอ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 อาจารย์ที่แก้กรรมฐานให้ทั้งเจ็ดครั้งเนี่ยรวมแล้วหกองคนะ์องค์แรกเลยคือหลวงปู่ดูลพวกเราเรียนหลักของการปฏิบัติมามากแล้วที่หลวงพ่อสอนในครั้งที่สามสิบที่นี่นะที่อื่นเนี่ยนับไม่ท้วนลนะพวกเราเรียนแล้วเรียนอีกหลวงพ่อจะลองเล่าว่าที่ครูบาอาจารย์สอนหลว ง, งพ่อที่หลวงพ่อทําผิด่ะแต่ก่อนจะบอกว่าอาจารย์สอนว่าไงหลวงพ่อจะถามพวกเราดูก่อน ว่าที่หลวงพ่อทำเนะี่ยผิดยังไงนะเริ่มต้นเลยนะเมื่อปี25 2525ข 25, นะึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลทีแรกท่านบอกให้ดูจิตตัวเองนะแล้กลับมาบ้านนะเราก็มาดูเห็นมันเป็นก้อนขึ้นมะาเป็นก้อนก้อนทำไมถึงเป็นก้อนพอเพ่งนะอยากดูอยากปฏิบัตินี่ต้องอย่างนี้นะตอบได้แล้วอย่ามาถามหลวงพ่ออีกนะ เป็นก้อนขึ้นมานะหาทางทำลายมันนะทำไงก้อนนี้จะแตกนะเพ่งเพงเพ่งระเบิดเปลี่ยงโอ้วันนี้เราภาวนาดีเพ่งมันแตกอีกวันนึงมันโผล่มานะเพ่งยังไงก็ไม่แตกตอนนี้นะบางทีก็เพ่งไม่แตกทำไงดีนะทุบมันของทุบมันทุบทุบแตกโป้งเลยโล่งเลยก้อนนี้แตกอีกวันหนึ่งเพ่งก็ไม่แตกทุบก็ไม่แตกเฉืนมันฉืนมันเฉือนเฉน ให้มันเล็กลงเรื่อยๆนะก้อนเล็กลงเรื่อยๆือนิดนึงมองปับ๊บขาดไปเลยโอ้วันนี้ภาวนาดีะเนี่ยซัดอยู่อย่างนี้สามเดือนก้อนนี้ค่อยหายไปนะคราวนี้นะกูศลไม่เกิดทํายังไงจะเกิดอากูศนทํายังไงจะไม่เกิดนภาวนาเนี่ยนะคอยระวังรักษาจิตคอยหวงแหนจิตมากเลยสามเดือนเลือขึ้นไปส่งกันบ้านหลวงปู่โ ด, ดนบอกว่าผิดผิดตรงไหนอืม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 ในตำราเขาเรียกหาไยรูปแต่ในตำราบอกว่าอยู่ในหัวใจไม่มีนักปฏิบัติคนไหนหรอกจะเห็นสภาวะปุดขึ้นจากหัวใจไปตําราไปแปลหาไตรยรูปไปแปลหาไยะว่าหัวใจเขเลยนึกว่ามันอยู่ที่หัวใจจริงๆคําว่าใจตัวเนี้หลวงปู่เทศท่านบอกว่าคือคําว่ากลางปุดขึ้นมาจากกลางๆนี่แหละ ใ, ใจโบราณแปลว่ากลางเราเห็นสภาวะปุดขึ้นตรงนี้นะเราไปสนใจเราคอยดู พอดูนะเราเห็นมันผุดขึ้นมาเรารู้ว่ามันก็หดเนอะหดก็เข้าไปข้างในคราวนี้เราตามลึกเข้าข้างในเลยดูซิต้นต่อของกิเลสจะมาจากไหนส่งจิตลึกๆๆเข้าไปเรื่อยๆพาใจเราเลือกๆ ล, ลงไปเรื่อยนะ โ, โหละเอียดเยีบๆอยู่ข้างในเลยพอดีได้เวลาขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมไม่ทันถามเลยเชิญหน้าหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมปักมือผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอ ก, น, อกนี้ อ้าวยังไม่ทันถามไปเฉลยซะก่อนลนะมันผิดตรงไหนผิดตรงเราส่งใจเข้าไปดูเห็นแทนที่เราจะดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเราถล่มลงไปดูนะนี่ถลำเข้าไปข้างในนะลงไปซะลึกเลยทำผิดถลำไปดูในจิตไม่ตั้งมั่นในการรู้ในการดูนะถ้าสำนวนครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่าไม่มีจิตผู้รู้มีแต่จิตผู้หลงผู้เพ่งลึกๆ ล, ล, ล, ล, ลงไปนะ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 ตอนนั้นไม่รู้เป็นไรมันหลับเอาหลับเอานะนั่งสมาธิก็หลับในนั่งขัดสมาธิเพชรขาดสมาธิเพชรนะ่าเจ็บแสนเจ็บนะก็ยังหลับอีกไปเดินจงกรมก็เดินหลับนะหัวโขกฝาเลยนะเดินเดินไปเตะนนูนเตนนี้นะทําไงก็หลับแล้วหลับแบบไม่มีศิลปะเลยอย่างนั่งสมาธินะหลับไปเนะี่ยพอรู้สึกตัวนาะขาไปอยู่ทางโน้นตัวไปอยู่ทางนี้นะเอียงไปเอียงมาโอ้ไม่มีสภาพของนักปฏิบัติเหลือเลยขาดสติอย่างร้ายแรงเลย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 ตั้งแต่เด็กมาทำแต่สมาธิจนมาเจอหลวงปู่ดูลมหาธรรมวิปัสสนาเนี่ยแล้วเบื่อสมาธิทิ้งสมถะไปไม่ถูกนะการทิ้งสมถะเนี่ยไม่ถูกต้องเลยพอจิตมันไม่ได้เข้าไปพักในสมาธิจิตมันก็หลบไปเลยดับไปเฉยๆเนะเข้าไปพักผ่อนพอมันพักผ่อนมีแรงมันถอนออกมาวันที่หสิงหาเนี่ยปี 2-6 ไกไปกราบหลวงปู่สิมนะท่านบอกจะได้ของดีพรรษานนี้แหละ วันที่หกยไปเที่ยวอยู่ในเชียงใหม่หน่อยไหนไไปทั้งทีละพอวันที่เจ็ดนัขึ้นรถตัวกลับมาขึ้นรถตัวตอนเช้านะเย็นเย็นแลสี่โมงเยน็นก็มาถึงกรุงเทพจิตมันก็ถอนออกมาหมดเลยะจิตใจเราก็เปลี่ยนไปหมดเลยภาวนาสบายต่อไปนี้สบายละกิเลสไหวแวบสติรู้ทันไหวแวบสติรู้ทันสติมันทันกิเลสไปเรื่อยการภาวนาง่ายง่ายตอนนี้ง่ายนี่ภาวนามาถึงจุด น, นี้เนี่ย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 เวลาเรารู้ลงไปในสภาวะในสิ่งที่ถูกรู้จิตมันเคลื่อนเข้าไปที่สภาวะที่ถูกรู้มันเคลื่อนไปนะああ Years Years, okay. พอะมันจะแตะสมมติว่าสภาวะที่ถูกรู้เนี่ยเหมือนนาฬิกาเนี่ยจะเคลื่อนจะแตะนะเราไม่ให้แตะนะเราถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาทวนกระแสเข้ามาหาตัวรู้พอจะมาแตะตัวรู้เราก็ไม่เอานะเราออกไปอีกไล่เข้าไล่ออกนะเสร็จแล้วมันรวมลงตรงกลางไม่ใช่ทั้งวัตถุไม่ใช่ทั Jugend ้งจิตไม่ใช่ทั้งรูปไม่ใช่ทั้งอารูมรวมลงตรงกลางนะ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 ไปซ้อมให้ชนานาญก็ไปบอกหลวงปู่บอกหลวงปู่ถ้าผมทําแล้วผมติดผมจะทํำยังไงอ่ะบอกถ้าคุณติดอาตมาจะแก้ให้นะท่านคึกคักมากเลยนะให้เราเล่นสมาธิแบบนีนะ้เราก็เล่นใหญ่เลยสนุกเลยทุกวันเล่นทุกวันนะชำนี้ชนานาญปุ๊บโลคโลกดับไปเลยนะสบายเหลือแต่ธาตุรู้สบายอยู่งั้นนะตอนมาไปสัมมนาที่เชียงใหม่เนะนี่ยเราเล่นอยู่ตรงนี้แล้วพอดีไปเชียงใหม่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 ท่านไม่สบายนะท่านนอนอยู่บนตังค์ไม่อยู่ในห้องอยู่บนตังค์ที่ระเบียงนอนกลุ้มโป่งอยูพอเราขึ้นกระไดปุ๊บลุกขึ้นมานะเอาหน้าเปลวออกมาจากผ้าชีหน้าเลยไงภาวนาไงโอ้เราตกใจโอ้โหนี้ดุสมกับที่คิดไว้เลย <laughs> ไม่ได้ถามอะไรเลยนะไม่ได้ถามเลยไงภาวนาไงบอกท่านนะผมไม่เพ่งอารมณ์นะไม่เพ่งจิตนะ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 ดูสิฉเฉลยไปอีกแล้วเห็นไ้มเราไปทำอะไรที่ผิดรึกออกไหมเราไปปรุงแต่งการปฏิบัติขึ้นมาเราคิดว่าทำยังไงเราจะดีเราไม่ได้รู้กายรู้ใจซื่อไปเราคิดว่าทำยังไงจะดีเอาตรงนี้ละวะอยู่ตรงน้นดีอยู่ตรงนี้ดีหรืออยู่กลางๆดีหาให้ตรงที่ดีไม่ต้องหานะว่าตรงไหนถูกไม่ต้องหาว่าตรงไหนดีสภาวะอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้อันนั้นแหละนะเราไม่ผิด นี่ว่าจะมาถามโยมนเะฉลยหมดทุกทีเลยนะพอท่านบอกเสร็จนะเราโล่งเลยลองพอลงท่านก็หัวละ้ะหัวล้ะเสียงดังเลยหลอกเราอีกเละเราก็ปรื้มหัวล้อตามท่านท่านหยุดกึกเลยมองหน้าพอท่านหยุดเราก็หยุดบ้างนะจิตเราไหวนะท่านบอกเออใช้ได้ใช้ได้ ไ, ดไปไม่ได้บอกชื่อท่านว่าหลวงพ่อชื่ออะไรไม่ไเคยบอกนะท่านอยู่ๆท่านก็เรียกมา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 นี่พภาวนาต่อมาอีกนะภาวนาไปเห็นสภาวะทั้งหลายมันละเอียดเข้าละเอียดเข้านะสบายใจมันโลง่งมันว่างเราก็ดูจิตอยู่ทุกวี่ทุกวันนะแต่ดูมาตั้งหลายปีไม่ผ่านสักทนะีวันหนึ่งได้โอกาสไปกราบอาจารย์มหาบัวนะที่ป่าบ้านตากตอนนั้นท่านยังเทศอยู่ข้างบนคนน้อยไม่มากหรอกเดี๋ยวนี้คนเยอะเข้าไม่ถึงท่านละนะขึ้นไปถึงบอกท่านอาจารย์ผมขอโอกาส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 เพราะกิเลสก็เกิดที่จิตนะกุศลเกิดที่จิตมรรคผลนิพพานเกิดที่จิตภาวนานเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้แล้วเหมือนผลลไม้ที่รอเวลาสุกงอมแต่ผมสงสัยว่าทำไมมันไม่สุกงอมสะทีนะตรงนี้ผิดอะไรผิดตรงไหนรู้ไหมมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมมีกุจะกุกกุ จ, จ, ะกกก จ, จะร้อนใจเมื่อไรจะได้สัทีวะมีวะด้วยนะจะได้ดูว่าร้อนมากๆาก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 ความสุขความสบายตรงนี้แหละคือวิปัสสนูชนิดหนึ่งนะชื่อว่าโอภาษวิปัสสนูเนี่ยเกิดในทุกขั้นตอนของการปฏิบัตินะขั้นโสดาสกตาคานาคาพระอราหารันเพียงแต่ว่าขั้นที่เลยพระโสดาเขาไม่เรียกว่าวิปัสสนูท่าเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นให้โก้กว่านี้หลวงพ่อก็จําชื่อไม่ได้แล้วเรียกอะไรก็ไม่รูนะ้แต่ว่าขั้นต้นเนี่ยปุถุชนเนี่ยจะมีวิปัสสนูทำทำมุตทัตจัก ใช้เปล่าไม่รู้จำไม่ได้ภาษาแคบเสร็จแล้วพอมาสังเกตนะใจมไปอยู่ข้างนอกใจไม่ตั้งมั่นที่หลวงพ่อบอกพวกเราวันนี้ว่าจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ถึงฐานพระนนท์สอนตัวนี้ไว้พนะระนนท์เนี่ยสอนธรรมะอยู่บทหนึ่งนะน่าฟังมากเลยในยุคครรัทสูตรพระนนท์ท่านสอนบอกว่า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 อุทัต จ, จะคือความฟุ้งซ่านของจิตที่ไหลออกไปเนี่ยอุทัต จ, จะดับนะก็จะหลุดจากโอภาษเมื่อก่อนที่หลวงพ่อเคยไปเรียนจากหลวงปู่เทศท่านสอนบอกว่าเวลาเกิดวิปัสสนูเนี่ยเกิดเพราะว่าสมาธิไม่ไม่พอเราฟังอย่างนี้เรายัางไม่เก็ตนะเวลามันเกิดจริงๆเรากค็ค่อยๆมาสังเกตอ๋อจิตมันไม่ตั้งมั่นเองจิตมันหลงไปทางนอก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 นะวิปัสสนูมเกิดจากจิตมันไม่ตั้งมั่นไหลออกไปจิตไม่ถึงฐานนั่นแหละที่หลวงพ่อเรียกว่าไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานนะเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราภาวนานะค่อยๆสังเกตเราดูจิตดูใจหรือว่าดูกายก็เหมือนกันนะไม่ว่าทําวิปัสนาด้วยอะไรเนะี่ยเกิดวิปัสสนูได้ทั้งสิ้นเลยไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วมีแต่วิปัสสนูดูกายไม่มีวิปัสสนูเข้าใจผิดหนะลวงพ่อเจอคนติดวิปัสสนานี้เยอะแยะไปหมดเลยในกระทั้งในสำนักต่างๆของครูบาอาจารย์ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะ ถ้าทำวิปัสสนาถูกต้องนะแต่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มมีปัสสนาได้ไม่นานนะยังไม่ชำนิชำนานพอเนี่ยสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่ถึงฐานเนีมันจะมัวแต่ดูอารมณ์ที่เกิดดับแล้วถล่มออกไปดูพออารมณ์นั้นหมดไปวับไปมันโล่งมันว่างมันสว่างแนละ้วค่เนี่ยก็เลยไค้างอยู่ตรงนี้เลยนิพคิดว่านิพานเอาละเราเป็นพระอรหันต์แล้วตรงนี้ไม่มีกิเลสเลยคนที่ภาวนามาตรงนี้คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหรนันต์นี่มีหลายคน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 ตอนนั้นใกล้จะบวชแล้วไปเจอหลวงพ่อพุธก็หลวงพ่อพุธเนี่ยกับหลวงพ่อเนี่ยนะเคยมีข้อตกลงกันเมื่อปีสองหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลเสร็จแล้วกลับมากราบหลวงพ่อพุธ ท, ที่โคราชท่านถามว่าหลวงปู่สอนอะไรกราบเรียนท่านบอกหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผูร้รู้พบจิตทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง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 หลวงพ่อพูดธท่านก็บอกว่าท่านไปหาหลวงปู่ดูลมาเหมือนกันก่อนหน้าหลวงพ่อเจ็ดวันหลวงปู่สอนอย่างเดียวกันบ อ, อกเจ้าพูณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตชืจ่จะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยเราจะต้องทำลายผู้รู้ท่านบอกงี้นะทำลายผู้รู้คือไม่ยึดผู้รู้นั่นแหละท่านเฉลยมานิดหนึ่งคุณกับอาตมามาตกลงกันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันท่านสั่งงี้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 ขาดความรู้แจ้งอริยสัจนะถ้าแจ้งอริยสัจนะก็คือพอถ้าไม่แจ้งอริยสัจยังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวสุขบ้างทุกบ้างอยู่เนี่ยไม่มีทางเลยยังไม่พอที่จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจงั้นหลวงพ่อนี่นะเคยกราบครูบาอาจารย์มานับไม่ถ้วนหลาย10องค์เคยนับๆ น, นะร่วม40องคนะ์แต่ครูบาอาจารย์ที่เคยแก้กรรมฐานให้หลวงพ่อเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยเ็ครั้งเท่านั้น ถ้าคนไหนถามหลวงพ่อเกินเจ็ดครั้งนะถือว่าเป็นอวชาติสิทธิ์มากไปนะถ้าถาม7็ครั้งเขาเรียกอนุชาติสิทธิ์พอๆกันนะถ้าไม่ต้องถามเลยนะเรก็ผ่านไปเลยเป็นอภิชาติสิทธิ์นะงั้นพวกไหนถามมากพวกหลอยถ้วยนะยาถามเยอะเลยหัดรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง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 ไม่ใช่ท่นทานพระอาจารย์แลวหลวงตาดูลมาฟังเทศพระละหันมาโปรดแล้วนะไปเคาะประตูเรียกพระทางวัดเลยนะตอนเช้าขึ้นมานะหลวงปู่แก้แก้ไม่ตกนะสุดท้ายหลวงปู่ใช้ไม้ตายเลยด่าสัตว์นรกไอ้บ้าไอ้สัตว์นรกโอ้โหพระละหันนะโกรธเลือดขึ้นหน้านะตาดูลไม่ใช่แม่กูกูไปแล้วนะกวาไม่กวาดได้นะพลาดบ่านึกว่าเป็นโกรดนะ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 <น>ข้อที่สองก็คือปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยไม่ทราบว่าถ้าเกิดลูกนั่งมากกว่าเดินใช้ได้ไหมคะหลวงพ่อที่ทําอยู่แล้วแต่จริยนีิสัยคนอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ถนัดเดินนะหลวงพ่อถนัดนั่งให้หลวงพ่อไปเดินจงกรมนะสมัยก่อนเดินไม่เป็นหรอกเดินเดินไปแล้วยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งกว่าเก่าอีกนถนัดนั่งนะคุณถึงเป็นแบบนี้หละเรียกนั่งพระนั่งหลวงพ่อข้าคาถามสุดท้ายค่ะของคุณนะ จิตมีโมหามากพยายามเคลื่อนไหวไปจะไม่ชอบเดินจงกรมก็ไม่เป็นไรนะไปหางานทําไปกวาดบ้านทูบบ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปของคุณนั่งอย่างเดียวไม่ได้นั่งแล้วจะเคลิม้มนี่คือวิหารธรรมแล้วใช่ไหมหลวงพ่อใช่ไปกระดุกกระดิกไปขอพระคุณค่ะหลวงพอ่อครับนักมรรการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือการบ้านของอย่าน้อมใจให้อ่อนๆเจ้าค่ะรู้สึกไหมทําให้ใจอ่อนๆให้ดูน่ารักน่าสงสารเนี่ย <c oughs> <c oughs>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 พอจิตเราไปเพ่งอยู่ที่เครื่องอยู่นั้นเราก็รู้จิตหนีไปจากเครื่องอยู่นั้นเราก็รู้จิตเป็นยังไงคอยรู้เรื่อยๆการภาวนาเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ของจิตเลยเนี่ยภาวนาแล้วมันจะหลงนานแต่ถ้าเรามีเครื่องอยู่เช่นบางคนอยู่กับพุทโธอยู่กับสัมมาละหังอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบอะไรก็ได้บางคนอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรก็ได้เหมือนกันหมดแหะ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 แล้วบางทีไม่ไม่น่าใจว่าคิดเองหรือว่ารู้อะคะ่ะรู้ใช้ได้แล้วละ่ะไปหัดรู้ต่อมาส ก, การหค่ะหลวงพ่อคือหนูภาวนาแล้วจะไปติดไปรับรู้่ารมแล้วก็จะนิ่งๆไปอย่างี้ค่ะอ๋อกระดูกระดิกไว้อย่าให้เฉยนะอย่าให้ติดจิตจิตไปติดเฉยก็คือพยายามขยับนยขยับตัวไว้เคลื่อนไหวไว้หางานทำไว้อย่างครูบาอาจารย์พารู้สิทธ์ทางานทั้งวันเยบังองนะ อย่างหลวงพ่อประสิทธิ์อยู่ถ้าใหญ่ปลิกพา พ, ะพระขนก้อนหินทั้งวันเลยขนไปขนมาขนมาขนไปขนอยู่งั้นจนท่านมรณภาพน ะ, น, ะนะท่านจะให้เจริญสติในชีวิตประจาวั น, นท่านไม่ไม่ได้บอกเลยว่าให้ไปนั่งอย่างเดียวไปเดินจงกรมลูกเดียวนะไม่ไมีมท่านพาทำงานการที่ทำงานไปแล้วเราคอยมีสติคอยรู้ไปนในนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตประจาวันพยายามทาตัวนี้ให้เยอะ หนูนี่ควรจะรู้กายมากกว่าด<ะ>เนะูเคลื่อนไหวไปไหนะเคลื่อนไหวสุดท้ายมจะไปดูที่จิตของคุณนะเป็นคนช่างคิดแต่ตอนนี้มันไม่มีแรงพอไปดูร่างกายที่เคลื่อนไหวไหมพะมันมีแรงมากๆจะเห็นจิตได้ชัดขึ้นขอบคุณคะหลวงปู่สุวั์เคยบอกนะว่าท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย ดูกายก็เพื่อจะมารู้จิตดูจิตเพื่อเพื่อให้เข้าใจความจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทําความสงบขึ้นมามีแนวรุกแนวรับอย่อย่างนี้ยก็ทําความสงบขึ้นมาจิตมีเรี่ยวมีแรงก็กลับมาดูจิตได้อีกเอาเชิญกาตรตุกการหลวงพ่อราาครับผมติดสมถะมาส1ปีนะครับติดนานแล้วก็เมื่อกลางปีที่แล้วก็พอดีลูกชายเขา ก็เปิดเน็ตแล้วก็ก็เปิดเน็ตของพ่อเน็ตวิมุตตินะฮะไม่ใช่<ว>กองหลวงพ่อหรอกนะก่องพวกนี้แหละผมได้ยินเขาบอกกรอบธรรมะของใครอะ่ะตรงจริตพ่อเลยใช่ไหมครับพอดีลูกชายนี้ผมฝึกให้เขานั่งสมาธิตั้งแตแง่เริ่มฟังงตีขออพ่อ่รางปีที่แล้วจนปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจนี่มันตื่นนะฮะรู้สึกรู้สึก มือคือเห็นเห็นกายเห็นจิตอยู่ใบใ่อยๆนั่นแหละแล้วก็กิเลส ก, ก็เห็นบ่อยออืเห็นแม่กายก็แยกออกไปส่วนหนึง่งจิตก็แยกไปส่วนหนึง่ง<ๆ>กิเลส ก, ก็แยกไปอีกส่วนหนึง่ง ค, นะความวสุขความทุกข์ก็แยกออกไปครับผมหลวงพ่อครับแล้วเวลาผมนั่งสมาธิคือทําตามรูปแบบเนี่ยเวลาผมจดมนต์แล้วก็จเจริญกรรมฐานเนี่ยผมชอบที่จะใช้ตกรูกประคำนะอะเพราะผมติดตอนนั้นไปไปกราบหลวงพ่ออะไรองค์ที่ทางภาคเหนือนะครับ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 แต่เป็นรูกประคำเม็ดเดียวไม่ได้มีพวงเล็กๆหรอกมีก้อนกรวดอยู่ในนิ้วมือแค่นี้แค่แตะ แ, แล้วก็รู้สึกแตะ แ, แ, แล้วก็คอยรู้สึกเพราาวนาเข้า อ, อย่างนี้ใช้ได้เหมือนกันตัวสําคัญอยู่ที่สติแล้วอยากกล่าวเรียนหล<ม>วงพ่อว่าที่คุณภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วละ่ะครับผมไปรู้กายไปรู้ใจเห็นกายมันทํางานไม่ใช่ตัวเราทํางานเห็นจิตมันปรุงแต่งไปทั้งวันไม่ใช่เราครับผมทำมาอย่างเนี้ถูกแล้วขอบพระคุณครับสมาธิไม่ใช่ของเสียหายนะ แต่ถ้าทำสมาธิแล้วเดินปัญญาไม่เป็นอันนี้ถึงจะเสียหายแล้วเดินปัญญาแล้วทำสมาธิไม่เป็นอันนี้ลําบากครับครับปัจจุบันแถมอีกนิดนึงครับเพื่อคนอื่นจะเอานําไปใช้ได้บ้างคือผมจะเล่นดูเน็ตทุกวันแล้วที่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยผมจะเขียนคําว่ามีสติรู้กายรู้ใจใ น, <อ>ในปัจจุบัน<อ>ด้วยจิต<อ>ที่เป็นกลางโอ้ได้ไ ด, ได้ไม่ว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์ ขอบพระคุณกับเนะมื่อก่อนหลวงพ่อยังมีเซฟจอคอมพิวเตอร์เลยนะร่างกายและจิตใจนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่อันนี้เขียนมานานละมีเหมือนกันอาจารย์สุรวัตรแกก็แปะแปะไปทุกคนทุกแห่งแปะหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็แปะนะแปะบอกว่าให้มีสติอะไรรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางเือนตัวเอง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 ไม่ใช่จะเอาอันใดอันหนึ่งนะรู้อย่างที่เขาเป็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะแล้วก็ยังหาวิหารธรรมที่เหมาะสมสาหรับตัวเองไม่ได้ก็ดูไปสิดูกายไปนั่นน่ะก็ดีแล้วนะก็เห็นจิตเข้าไปอยู่กับกายจิตถอดออกจากกายจิตเข้าไปอีกจิตถอยออกมาอีกก็ดูกายเป็นวิหารธรรมไปนะของคุณน่ะมันรู้ได้ทั้งกายรู้ได้ทั้งจิตอยู่แล้วทุกวันนี้ดูจิตได้อยู่แล้วถามนมัสการค่ะหลวงพ่อ โยมนั่งปฏิบัติมาก็ตามดูตามรู้มาตลอดนะคะแต่มาช่วงนี้ไม่ทราบว่าเป็นเท่าไรนั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็จิตจะว่างเปล่านะคะแล้วปวดเมื่อยด้วยแล้วจิตว่างเปล่าไม่ปวดเลยค่ะจิตไม่ตามดูตามรู้เลยค่ะจิตไปติดนิ่งติดว่างติดเฉยค่ะให้ออกมารู้กายให้มากๆไว้ดูร่างกายพยายาแล้วแต่ก็ปฏิบัติไม่ได้ค่ะอะไรนะพยายามแล้วก็ยังทําไม่ได้นะะอย่าไปนั่งมัน อย่านั่งเลยเอออย่าไปนั่งนะออกมาหางานทำควาดบ้านรู้บ้านปกติหนูทํางานบ้านก็จะตามดูตามดูจับวางอะไรก็จะแล้วเวลาเวลารู้เนี่ยอย่าให้จิตแนบลงไปรู้ให้จิตอยู่ห่างๆเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตอยู่ห่างๆเหมือนคนดูคนอื่นนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆก็เมก่อนโยมจับทํางานอะไรเนี่ยจับอะไรก็จะกําหนดทุกอย่างนั่นแหละจิตมันไหลลงไปอยู่โน้นเลยะจิตมันถลั่ตอนนี้ไม่กําหนดเลยไม่ไม่รับเลยให้ออกมาอยู่ห่างๆนะ นี้จะต้องแก้อย่างไรบ้างไปหางานทำเยอะเยอะปกติก็ทําอยู่จริงๆนะคุณน่าจะดูจิตง่ายเพราะคุณเป็นคนขี้โมโหนะโดยพื้นฐานนะแต่ว่าเราไปทําสมาธิข่มมันจนมันนิ่งๆไปถ้าเมื่อไหรไม่ข่มเนะ่ยจะขี้โมโหรายกาลเลยพอขี้โมโหขึ้นมาแล้วก็เห็นใจที่โมโหขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปฝึกอย่างนี้ง่ายๆอย่าไปกดให้มันนิ่งนะ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 ไม่มีประโยชน์อะไรเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้ว่าร่างกายนี้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่เราต้องฝึกให้เห็นความจริงว่าใกล้นี้แหละเป็นตัวทุกข์ใกล้นี้มันเจ็บมันปวดมันไม่สวยไม่งามมันมีแต่ความทุกข์นั้นเราไม่ได้มุ่งไปภาวนาเพื่อให้ร่างกายมีแต่ความสุขนะเลิกซะทำงานให้มากๆอย่างเมื่อกี้ใจอยากพูดรู้สึกไหมนั่นะหัดดูตรงนี้ไปแล้วก็กระดุกกระดิกไว้ทางานไว้ ต่อไปนกักการหลวงพ่อจะค่ะโยมขอโอกาสนะคะช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวแล้วก็บางค้งก็เผลอนานส่วนใหญ่จะเผลอไปคิดมากกว่าก็จิตก็จะตามทันพอสมควรแต่ว่าตอนช่วงนอนหลับจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยจะู้เกือบทั้งคืนจิตขนาดนี้เป็นยังไง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 อย่าไปประคองประครับประคองให้สงบให้นิ่งตอนนี้ติดนิ่งเจ้ค่ะพอดีไปตรวจ MRI มารอาบอกว่าจะต้องไปผ่าตัดหลังก็เกิดความกังวลขึ้นมาว่าจะไม่ได้มาฟังหลวงพ่อระยะ ห, หนึ่งวันนี้เลยขออากาศขอการบ้านหลวงพ่อต่อนะไปดูน ะ, ะกายมันเจ็บมันไม่ใช่ตัวเราเจ็บจิตมันกังวลนะไม่ใช่เรากังวลไปดูได้เลยแ ย, ยากกายแยากจิตออกไป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 ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือมีเรื่องที่วุ่นวายกังวลมากที่ทำให้เรากังวลเพราะว่าโดยตัวเองและจริงๆแล้วจะจะไม่มีปัญหาอะไรามากมายแต่คราวนี้อยากจะปฏิบัติในแนวทางของหลวงพ่อแต่ว่าตัวเองแข็งมากเลยในสองสัปดาห์นี้พ อ, อมาทำเดินวิปัสสนาอย่างหลวงพ่อบางทีก็หดหูคือสับสนจนกลายเป็นว่าตัวเอง ไม่รู้ว่าจะมีวิหารทํามใดตรงนีอ้อย่าไปคิดว่าวิปัสนาคือการต้องทําอะไรแปลกๆเจ้ า, านะค่ะวิปัสสนาก็คือการเห็นกายเห็นใจเนี่ยเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราเป็นแค่คนดูเขาเท่านั้นเองเราะนั้นเขาหดหูเขาดูไปความหดหูผ่านเข้ามาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็หดหูมากเดี๋ยวก็หดหูน้อยเห็นไหมเดี๋ยวก็ความหดหูก็หายไปทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้เราไม่ได้ภาวนาด้วยความเกลียดชังความหดหู ของคุณตอนนี้ใจไม่เป็นกลางต่อความโหดขูให้รู้ทันว่าจิตไม่เป็นกลางนะค่ะพอทราบปัญหาของเราตอนนี้คือจิตไม่เป็นกลางนะความทุกข์ทั้งหลายที่มาสู่ตัวเราแต่ละคนแต่ละคนนียุติธรรมแล้วนะความสุขที่มาสู่ตัวเราก็ยุติธรรมเหมือนกันนะเราจะเจอความสุขหรือเราจะเจอความทุกข์ก็แล้วแต่วิบากของกรรมที่จะส่งผลมาให้ นี่พอเราเจอวิบากคือความทุกข์ส่งผลมานะมีความทุกข์เกิดขึ้นอกูสน์ส่งผลมาใจเราไม่เป็นกลางเท่ากับเราสร้างอคูสครั้งที่2แล้วนะ <c oughs> แต่ถ้าเราใจเราเป็นกลางเราเห็นเลยความทุกข์ผ่านมาความทุกข์ผ่านไปนะใจเราเป็นกลางนี่เราสร้างกูสลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพราะเราต้องพัฒนากุศลตรงนี้ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ไปเกลียดความทุกข์ที่กาลังปรากฏ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 เ, เป็นคนที่โทรศสะจริตแรงมากจริงคพ่อเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้ ม, มาดิว่ารับประกันไม่เท่าเราแน่นอนคันนี้แต่แต่คราวนี้ตัวเองก็คิดว่าในชาตินี้จะเข้ า, ขากระแส น, นิพพานจริงๆแต่คราวนี้บางทีวิบากเข้ามาค่อนข้างลุมตรงนี้จะมีคนอื่นเขวิบากกว่าคุณอีกใช่ไหมคนอื่นเขาก็วิบากมากมายทำไมเขาผ่านไปได้อลองไปดูในประวัติพระสาวกแต่ละองค์แต่และองค์ทําไมเขาผ่านได้ กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเห่นไหมออกมาภาวนาสลบแล้วสลบอีกมากกว่าเราของคุณเคยทุกข์จนสลบไหอยังยอ <c oughs> เรื่องของคุณอื่นทั้งนั้นเลยค่ะไม่เคยโดดแต่คราวนี้เนื่องจากว่าอยู่เป็นหัวหน้าหรือเป็นอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะสู<ด>งโฉดมากเกินไ ป, ออไปนะมีหน้าที่ทํางานก็ทําไปต่อไปนักการเมืองค่ะแล้วก็สภาวะปัจจุบันนี้ สภาว่ามันยิบยับยิบยับทั้งทั้งวันทั้งคืนเออเวลารู้ยิบยับอะดีแล้วนะใจอย่าถล่มลงไปดูสบายสบายไปถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมไปนะรู้ความยิบยับด้วยใจเป็นกลางอย่าถล่มลงไปแค่นั้นแหละสบายมากเลยภาวนายิบยับยิยับนะหลวพเคยเป็นภาวนายิบยับยิบเห็นเห็นหมุนนะ หมุนอยู่ข้างในวัดตะหมุนติ้วติ้ติตอยู่ข้างในหมุนจีจีขึ้นมาถ้าใจเราเข้าไปยุ่งกับมันนึหมุนใหญ่เลยถ้าเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ขาดออกไปเลยครับก า, ก, การนามสกังครับอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําการปฏิบตัติตอนนี้หน่อยครับตอนนี้เหรอตอนนี้เกาะเอาไว้รู้สึกปะ่ะสังเกตไหมจิตไม่ใสร้อเอร์เซจิตมัวมีโมหะแทรรู้ว่ามีโมหะ บังคับจิตให้นิ่งดูออกไหมกดอยู่ข่มอยู่ขนาดนี้จิตแน่นๆหนักๆเห็นไหมเราไปแทรกแซงมันการภาวนาเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกสภาวะใดๆกาลังปรากฏในปัจจุบันเราก็แค่มีสติรู้ทันนะรู้อย่างเป็นกลางไปเรื่อยๆตอนนี้จิตไหลไปคิดก็รู้ว่าจิตไหลไปคิดเห็นไหมมันทํางานได้เองมองออกบ้างอย่างว่าจิตมันทํางานได้เองมันสุกเองมันทุกข์เองมันโลภมันโกรธมันหลงได้เอง แค่เฝ้ารู้ไปนะวันหนึ่งปัญญามันแจ้งจิตมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันได้เองคือตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือแค่แบบตอนนี้เพง่เพงมากไปขณะนี้นะถ้าถามขณะเนี้ยแต่ตอนที่ยังไม่เจอหลวงพ่อเนี่ยก็พอดีพอดีไม่ไม่แรงอย่างนี้นะครับคุณครับกราบนมัตการหลวงพ่อเจ้าค่ะช่วยกรุณานําแนะนําสภาวะให้โยมด้วยเจ้าค่ะอืมอะไรนะ แนะนเ อ, อการปฏิบัติสังเกต <ยง S 2> ไหมใ จ, จเราขนาดนี้หนีไปคิดใช่เจ้าค่ะเหนีไปคิดก็รู้ว่าหนีไปคิดไม่ห้ามนะจุ๊ค่ะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปนเรื่อยการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากเลยความรู้สึกทั้งหลายในจิตใจของเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนรู้จักอยู่ทั้งนั้นแหละนไะมความโลภเราก็รู้จักความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ดีใจเสียใจสุขทุกเรารู้จักอยู่ทั้งนั้นแหละจุะจ๊ค่ะ หน้าที่ของเราก็แค่ว่าตอนนี้อะไรเกิดขึ้นมาแค่นั้นเองจุ๊บค่ะะฝึกไปนะอย่างเมื่อกี้ความอยากพูดเกิดขึ้นรู้สึกไหมมันไหลแว บ, บขึ้นมาจุ๊ค่ะแล้วก็ปิติด้ไหจุ๊ค่ะนั่นแหละมีปิติก็รู้ไปเห็นไหมปิติเขาไม่ใช่เรานะะมันเกิดเองเห็นไหมทุกอย่างนะมีแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็หายไปไม่ใช่ตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นของที่จิตไปรู้ไปดูเข้าทั้งสิ้นเลยจุ๊บค่ะ กราบนสัส ก, การะอาจารย์หลวงพ่อครับอาจารย์หลวงพ่อหรอ ว, ว, วต้องหลวงปู่ดูลน่าผมผมถามหลวงพ่อเลยนะครับประมัติทารมีสัมปันโนนี่หมายถึงอะไรครับโอ้ต้องไปหานักปริยัติแล้วหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันข้อที่สองนะครับ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 การสร้างสตินะมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆมันก็สร้างบารมีไปเรื่อยทั้งสิบประการนั่นแหละเบื mm ้อ hmm. งต้นก็เป็นบารมีอ่อนๆนะเบื้องปลายมันก็เป็นปรมาทบารมีอย่างที่คุณว่านั่นแหละพยายามเจริญสติบ่อยๆนะครับขออนุญาตถามอีกขอ้อนึงนะครับในหัวข้อที่ว่าพอจะชนะก็พ่แพ้ซะแล้วถามว่าคนที่จะชนะพ่แพ้ได้หรือไม่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 พราเราภาวนาไม่ชำนิชนานาญพอเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราก็คิดว่าตัวเราทุกข์แต่ถ้าเราภาวนาชนานาญพอเราจะเห็นว่ากายมันทุกข์ใจมันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์นะมันไม่มีเราทุกข์พยายามฝึกนะึกหลวงพ่อขอนแนะนำนะให้กันบ้านคุณอดทนนิดนึงไปฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะครับผมกราบนมัสการนมัสการครับเออผมภาวนารู้สึกว่าลงะลงนานมาก แล้วก็นิ่งๆเงียบแบบนิ่งๆแบบในใจนะไม่ว่าไม่ทราบว่าจะพยายาม <c oughs> ทํากรรมฐานที่เคลื่อนไหวไปนะเคลื่อนไหวดีกว่ากรรมฐานหยุดนิ่งเ <c oughs> ช่นเราเดินจงกรมเนี้ยครับเดินไปแล้วเราคอยสังเกตจิตถ้าเดินไปแล้วใจลอยรู้ว่าใจลอยเดินไปอีกใจลอยอีกรู้ว่าใจลอยอีกการที่เราหักรู้ความใจลอยบ่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาใจมันลอยไปมันหลงมันคือใจลอยไปนั่นเอง <c oughs> <Okay. S 2> พอมันใจลอยแป๊บนะสติจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะสติจะเกิดได้เร็วถ้าเราซ้อมให้สติเกิดว mm hmm. ิธีซ้อมก็คือทํากรร ม, กมฐานขึ้นสักอันหนึ่ง mm hmm. เช่นเราไปเดินจงกรมเดินจงกรมไม่ใช่เดินบังคับจิตแต่เดินมีสติรู้สึกกาย mm hmm. เดินมีสติรู้สึกใจ mm hmm. เรื่อยๆนะ mm hmm. ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึก <Okay. S 2> นี้พอเราหันรู้สึกเช่นเดินๆไปจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้ารู้ว่าจิตไปเพ่งแล้ว mm hmm. เดินๆไปจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิด ต่อไปถึงเราไม่ได้เดินจงกลมนะจิตแอบไปเคลื่อนไวนิดเดียวเราก็จะเห็นเราจะไม่หลงนานหรอกต้องซ้อมไหมนะครับแล้วที่โยมทำเนี่ยโยมฝึกกรรมฐานในลักษณะที่น้อมใจให้นิ่งมากไปนะ<อ>มันเป็นน้อมให้นิ่ง<อ>จะกลายเป็นสมถะจะนิ่งอย่างเดียวพยายามเคลื่อนไหวให้มากๆขอบคุณครับกราบนรรสการ์พ่อครับนี่เป็นการถามครั้งแรกนะฮะก็ได้ฝึกมาประมาณ2เดือนแล้วครับ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 บางทีใจแอบไปคิดก็รู้ทันใจที่หนีไิคิตรู้กายรู้ใจไปพอเดินไปสุดทางจงกรมแล้วเนี่ยยืนอยู่นิ่งๆกันอย่าเพิ่งหันกลับมาถ้าเดินไปสุดทางจงกรมแล้วหมุนตัวปั๊บเนี่ยจิตกระเด็นตกทางจงกรมทุกรายเลยเพราะฉะั้นเราอยู่นิ่งๆกันพอรู้ตัวสบายๆก็ข้ามหมุนตัวกลับมาพอหมุนตัวกลับมายังไม่ต้องรีบเดินถ้ารีบเดินนะจิตมันจะเดินก่อนกายจิตมันจะก้าวไปก่อนแล้วกนะ้าวสองก้าว เราหันตัวกลับมาเรารู้สึกตัวสบายๆก่อนล้วก็ค่อยเดินกายกับจิตเดินไปด้วยกันเ น, นี่ยเดินรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้กายไปรู้ใจไปฝึกอย่างนี้บ่อยๆอย่างผมนี้ดูจิตได้ใช่ไหมครับได้ดูได้แล้วคุณพยายามไปเดินจุกกรมนะแรงรมันจะได้เยอะกว่านี้อีกครับตอนนี้แรงมันอ่อนไปนิดนึงตอนนี้ที่เดินคือเดินไปแล้วก็เผลอรู้ครับเออเผลอรู้ไป ง, งั้นใช่ได้ตอนนี้ทําถูกแล้วใช่ไหมครับทําถูกแล้วแต่อดทนนะเดินเรื่อยๆ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 เค่นไหวแล้วค่อยรู้สึกไป <Okay. S 1> นะทุกวันนี้เวลาเวลาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธินี่แบบเหมือนกับเราจะหลับเดินแบบหลับๆไม่เป็นไรเดินไปดีกว่านั่งค <Okay. S 1> เดินไปหน้าเราถึงเวลาก็ไปทํางานทํางานไปก็รู้กายรู้ใจไปนะถึงเวลาก็มาเดินจงกรม <Okay. S 1> นะไม่ต้องกลัวหรอกไอ้ที่จะหลับเมื่อเช้าหลวงพ่อก็เล่าแล้วหลวงพ่ อ, อยังหลับเลย <Yeah. S 1> นะะค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 รู้ได้ตอนไหนก็ได้คะแนนตอนนั้นแหละอย่าตอนนี้ใจไปคิดก่อนใช่ไหมแล้วก็อยากพูดแวบหนึ่งนึกออกไหมแ ล, แล้วความอยากมันก็ดับไปเราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเห็นอยู่อย่างนี้เองขอบพระคุณค่ะแล้วหลวงพ่อจะจะแนะนําำคือควรจะนั่งปฏิบตัติคือจะจะชอบนั่งสมาธิการทําในรูปแบบมีประโยชน์น ะ, ะพวกเราไม่ใช่จะเจริญสติในชีวิตประจําวันรวดไปเลยไม่พอหรอก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 รูปแบบที่ ห, หลวงพ่อกล่าวเนี่ยคือหมายถึงต้อตงนั่งให้เป็นเป็นท่ามาตรฐานไม่จํา<ม>เป็นนะ<ม>นั่ง<ช>เก้าอี้ก็ได้สมมติว่าหัวเข่าเราไม่ดีเรานั่งเก้าอี้ก็ได้ถึงเวลาเราก็นั่งเก้าอี้พุทโธไปเรื่อยๆนะพุทโธพุทโธไปปัใจเราแอบไปคิดรู้ว่าใจนี่ไปคิดละพุทโธพุทโธไปใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุทโธพุทโธวันนี้ฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธเรารู้ทันใจไปเรื่อยๆเนี่ยแบ่งเวลาไว้ซ้อมแบบนี้ทุกวันทุกวัน ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อของคุณต้องทํากรรมฐานที่สบายๆนิดนึงนะเพราะพื้นเดิมมันขี้โมโหคนขี้โมโหเนี่ยทํากรรมฐานที่ลําบากมากๆจะโมโหแนตะ่ <c oughs> จริตนิสัยไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยเป็นคนซึ่งใจเย็นสบายรักสุขรักสบายรักสวยรักงามจิตใจนะัน้หนอมแนมตลอดอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องไปทํากรรมฐานยากๆหน่อยนะต้องไปทรมานหน่อยนะหมดแล้ว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 เห็นแต่ขันมันทุกข์ภาวนาไปอย่างนี้เรื่อยๆเภาวนามากเข้ามากเข้าวันหนึ่งจิตมันพลากจากขันมันวางขันนะปล่อยขันพระอหันต์ทั้งหลายไม่ใช่มนุษย์ประหลาดอะไรหรอกไม่ใช่ว่าร่างกายของพระอรหันต์ไม่ทุกข์นะไม่ใช่ก็เหมือนพวกเรานี่เองแต่จิตของท่านไม่ยึดถือขันมันแยกออกจากขันพลากออกจากขันความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ขันอยู่ที่กายอยู่ที่ใจมันเลยเข้ามาถึงจิตถึงใจของท่านไม่ได้นะ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 ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์ชนเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครั ว, รรวตราบสิ้นกาลละนานเทินยัถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาคารังเอวเมวายโตดินังเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตู สัพเพปูเรนตูสังกัปาจันโดปั น, นรโสยถ า, ามณีโชติรโสยถ า, าสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรคโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภาวะอาภิวาธนาสี